ลำดับที่13เมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2553โดยพระครูธรรมทรคันชิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวักวันจังหวัดนครปฐม จริญพรสำหรับในวันอาทิตย์นี้เราก็จะได้มาศึกษากันต่อถึงพรมวิหารข้อที่สี่นคือเรื่องของอุเบกขาพรมวิหารหรือว่าในการปฏิบัตินั้นเราจะเรียกว่าอุเบกขาอัปปมัญญาคือการแทนอุเบกขาออกไปไม่มีประมาณก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า ในการฝึกอุเบกขาอภปัญญานี้ถ้าว่าตามหลักเลยนะว่าตามหลักเลยคนทั่วไปไม่สามารถฝึกได้ผู้ที่จะฝึกอุเบกขาอภปัญญาได้ในคัมภีร์พระกอกฏวิสุทธิมรรคนั้นท่านกล่าวว่าต้องเป็นผู้ที่ได้ถึงรูปฌานขั้นที่สามแล้วเท่านั้นนะผู้ที่ทำสมาธิได้ถึงรูปฌานขั้นที่สามจึงจะฝึกในเรื่องของอุเบกขาอภปัญญาได้ คนที่จะทําได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นบุคคลประเภทฌานลาภีคือมีลาภในฌานก็หมายความว่าเป็นผู้ที่อาจจะเคยฝึกมาก่อนในชาติที่แล้วจึงทําให้สามารถเข้าฌานได้ง่ายสามารถฝึกให้จิตสงบถึงฌานได้ง่ายเพราะว่าอุเบกขาอปมัญญานั้นจะมีลักษณะวางใจเป็นกลางต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจะประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาแล้วก็แผ่ออกไปไม่มีประมาณ อันนี้พูดถึงตามคมภีร์พิสุทธิมรรคเพราะฉะนั้นโดยปกติท่านจะให้ฝึกเมตตาการุณามุทิตาอัปปมัญญาจนกระทั่งจิตสงบถึงฌานขั้นที่สามแล้วจึงจะบำเพ็ญอุเบกขาอัปปมัญญาแต่ในที่นี้เราอาจจะไม่ต้องเอาถึงกับขั้นฌานขั้นที่สามหรอกเอาเป็นเพียงแค่ว่าไม่ให้ใจเราถูกกระทบกับการแปลเปลี่ยนของสิ่งต่างๆด้วยความชอบหรือความชัง อย่างนี้เราพอที่จะเอามาประยุกต์เอามาปฏิบัติได้เช่นเดียวกันแต่ในที่นี้จะบอกเป็นตัวแบบเพราะว่าให้ก่อนว่าถ้าตามแบบแล้วบุคคลที่จะวางสามารถวางอุเบกขาได้อย่างแท้จริงนู่นต้องเข้าถึงฌานขั้นที่สามแต่คนปกติทั่วไปจะยังมีการกระทบด้วยความชอบใจไม่ชอบใจติดในความสุขจะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดจึงยังไม่สามารถวางอุเบกขาได้อย่างแท้จริง เราลองมาดูความหมายของอุเบกขาก่อนอุเบกขาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอุเบกขาเวทนาไม่ใช่ความรู้สึกนิ่งๆเฉยๆได้เรื่อยๆนะไม่ใช่อาการอย่างนั้นอุเบกขาในที่นี้หมายถึงการวางเฉยการที่ไม่ถูกกระทบต่อภาวะต่างๆที่เข้ามากระทบที่วางเฉยได้เพราะรู้และเข้าใจ ถึงความเป็นไปถึงสภาพธรรมทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นอุเบกขาในที่นี้จึงจัดอยู่ในฝ่ายของปัญญาจัดอยู่ในฝ่ายของพวกปัญญารู้เข้าใจและอ้อเหตุการณ์มันอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนสภาพไปแบบนี้โดยธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นี่เองผลแบบนี้จึงเกิดขึ้นใจจึงไม่ถูกกระทบเลยจึงไม่รู้สึกชอบหรือชัง ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเอายกตัวอย่างเช่นเวลาที่ต้นไม้ในหน้าฝนโดนลมฝนพัดใบไม้มันก็ย่อมล่วงหล่นกิ่งมันก็ต้องหักยมรู้สึกดีใจหรือเศร้าใจไปกับต้นไม้ไหมไม่เพราะอะไรธรรมดาธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเมื่อลมพัดมาแรงมีลมฝนมาแรง ใบไม้มันก็ต้องลนกิ่งมันก็ต้องหักเราจึงไม่รู้สึกดีใจหรือเสียใจไปกับต้นไม้ใช่หรือไม่เพราะเห็นโดยความที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติฉันนี้ก็ฉันนั้นบุคคลบางคนประสบเคราะกรรมทนทุกบุคคลบางคนประสบความสําเร็จถ้าเรามองดูด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอ้อเป็นเรื่องของกรรมที่เขาทําเป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติของเหตุปัจจัยที่เขาทําผลจึงเกิดขึ้นกับเขาอย่างนั้น ใจเราก็จะไม่รู้สึกถูกกระทบกระทั่งไปด้วยความสุขหรือความทุกข์ในความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวหรือความทุกข์ของเขาของผู้อื่นใจกับวางอุเบกขาได้เพรนั้นวางอุเบกขาในที่นี้เป็นการวางอุเบกขาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเหมือนเรารู้เข้าใจโดยธรรมดาธรรมชาติลมฝนมาแรงดูดิน้ดูด น, นี้เขา้ารดูฝนฝนย่อมตกหนัก ก็เป็นธรรมดาที่น้ำมันจะต้องชะต้นไม้ใบไม้พอโดนลมพัดแรงๆมันก็ย่มร่วงร่นกิ่งก้านมันก็ต้องหักเป็นธรรมดาแต่เราก็รู้ว่าอะไรเอ่ยเ <c oughs> มื่อกิ่งก้านนั้นหักไปมันก็จะงอกใหม่ขึ้นมาใช่หมจากลมฝนที่มาแรงมันมีน้ำฝนต่อมาต้นไม้นั้นยิ่งจเจริญเติบโตอย่างนี้เป็นต้นนี่กลับไม่ได้ทุกเลยใช่ไหมใช่ ก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นนั่นเองนะกับสัพสัตทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นการวางอุเบกขาในที่นี้จึงไม่ใช่เฉยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแต่ไม่ถูกกระทบเพราะรู้และเข้าใจถึงความเป็นเห็นเป็นปัจจัยและความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอ้าวแยกออกไม่เอ่ยนะอุเบกขาในที่นี้ มีศัตรูใกล้คือลักษณะที่ใกล้เคียงกับอุเบกขาซึ่งคนเรามักจะคิดว่าอาการอย่างนี้คืออุเบกขาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ภาษาธรรมะเราเรียกว่าอัญญานุเบกขาอัญญานุเบกขาอัญญานุเบกขาคืออะไรคืออาการเฉยโง่เฉยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว อะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็ไม่รู้ฉันไม่อยากใส่ใจฉันไม่อยากสนใจฉันก็นิ่งเฉยเฉยอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาในพรหมวิหารที่ต้องการในที่นี้เข้าใจนะเฉยอย่างนี้เราเรียกว่าเฉยโง่เฉยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเฉยเพราะไม่ใส่ใจไม่สนใจอาการอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาที่ต้องการในที่นี้ภาษาธรรมะเรียกว่าอัญญานุเบกขา เป็นศัตรูใกล้ของอเบคาคือโดยลักษณะภายนอกรู้สึกเหมือนใกล้เคียงกันมากอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะฉันไม่อยากสนใจมันแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆไปเรื่อๆไไยๆไออย่างนี้อัญญาโนเบกขานะเป็นพวกโมหะนะเป็นพวกโมหะเต็มไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นถึงสภาพความเป็นไปมันจึงไม่ใส่ใจไม่สนใจ ลักษณะประเภทนี้จะมีลักษณะปล่อยปละละเลยนะไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจไม่สนใจนะอาการอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาในที่นี้แยกออกนะเหมือนผลตกต้นไม้โดนลมพัดไม่ขี้เกียจ ด, ดูมันแล้วมันจะตกมันก็เป็นยังไงก็ช่างมันเถอะตัวเองก็นิ่ ง, งๆเฉยๆไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงไม่รู้ว่าตอนไหนควรทำอะไร ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาในอปามัญญาส่วนสตูกไกลคือสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นพร้อมกับอุเบกขาหรือเมื่ออุเบกขาเกิดขึ้นสองอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นก็คือการมาราคะกับปฏิฆะการมาราคะกับปฏิฆะการมาราคะก็คืออาการที่ชอบใจชื่นชมยินดีในสิ่งตอบสนองต่าง ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายปฏิคัก็คืออาการขัดเคืองอาการกระทบกระทั่งอันเนื่องจากสิ่งต่างๆเข้ามากระทบเพราะฉะนั้นถ้าวางอุเบกขาได้รู้แล้วมันเป็นอย่างนี้สภาพต่างๆมันมีลักษณะแบบนี้ใจเราสงบนิ่งไม่รู้สึกถูกกระทบเพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเห็นแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นอาการเข้าไปชอบ กับอาการชังก็คือการมาราคะกับปฏิฆะจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเห็นแล้วเราเกิดชอบขึ้นมาเป็นยังไงตอนนั้นระวางอุเบกขาไม่ได้เพราะฉะนั้นอุเบกขากับการมาราคะและปฏิฆะจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อไหร่มีการมาราคะหรือมีความชอบใจเกิดขึ้นเมื่อนั้นอุเบกขาจะไม่มีในจิตใจเมื่อไร่มีปฏิฆะคือความขัดเคืองเกิดขึ้นหรือความกระทบกันทั่งเกิดขึ้นตอนนั้นอุเบกขา ไม่มีนในจิตใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางอุเบกขาได้ตอนนั้นการมาราคะและปฏิฆะก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เราจึงเรียกว่าศัตรูกไกลคือจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดพร้อมกันอุเบกขานี้จะเป็นตัวมาระ ง, งับตัวการมาราคะกับปฏิฆะนั่นเองเพราะฉั้นจะเห็นว่าการมราคะหรือความชอบใจนะั้นมันจะใกล้เคียงกับพวกเมตตาจําได้ไหมเมตตาศัตรูใกล้คือสินเนหาสินเนหาการมราคะนี่จะใกล้เคียงกันมาก มุทิตานะมุทิตานั้นก็จะใกล้เคียงกับอาการที่เราชื่นชมยินดีชอบใจเราเรียกว่าเพลินไปในกามาราคะาอันนี้ใกล้เคียงกันมากเพราะเป็นด้านของความรู้สึกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกรุณากรุณานะั้นสัตว์ใกล้อาการที่ใกล้เคียงที่เป็นฝ่ายกิเลสเชื่อใจเอ่ยธงมนัตธงมณัตนี้จะจัดอยู่ในฝ่ายของพวกปฏิฆะ อาการเศร้าโศกเสียใจอาการกระทบกระทั่งจิตใจนี่คือศัตรูใกล้เห็นไหมวันทัดไปทางด้านความรู้สึกเยอะบางทีมันไปทางด้านกิเลสนะถ้าไม่ใช่เมตตากรุณามุทิตาอย่างแท้จริงบางทีมันจะเผลอไปทางด้านกิเลสได้ง่ายกิเลสที่จะเข้ามาเจอือมันจะมีพวกเนี้ได้ง่ายก็คือพวกชอบใจติดใจหรือไม่ก็กระทบกระทั่งดงนั้นอุเบกขานั้นจะกําจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้หมดเลยแต่ถ้าวางอุเบกขาได้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น นี่คือศัตรูไกลของอูเบขาในการฝึกกูเบขานั้นท่านบอกว่าจำเป็นจะต้องฝึกเพราะว่าอะไรเพราะเมตตากรุณามุทิตนั้นเป็นได้ด้านของฝ่ายของความรู้สึกความรู้สึกนั้นถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ดีนะเพราะว่าอะไรเอ่ยจะไม่สามารถรักษาความจริงความถูกต้องได้ มันจะมีลักษณะวิ่งเข้าไปปฏิสัมพันธ์หรือเกาะเกี่ยวกับสรรพะสัตย์อยู่ตลอดเวลาคือรู้สึกดีใจไปกับความสุขความสําเร็จของเขาเป็นมุทิตานี่ก็อาการกระทบกระทั่งอย่างหนึ่งใช่ไหมอาการเข้าไปติดอย่างหนึ่งรู้สึกอยากเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเขาตกทุกข์อาการกรุณา น, นี่ก็เข้าไปติดกับสัรพสัตย์รู้สึกปรารถนาดีมีเมตตาเขานี่ก็เข้าไปติดกับสัรพสัตย์มันยังเว้นอาการจับอยู่ มันเป็ น, น, นด้านทางด้านความรู้สึกซึ่งด้านความรู้สึกถ้ามีมากเกินไปแทนที่จะได้ช่วยเขาบางทีมันกลายเป็นไปแพพนเอาพนเอ า, าเขาทําให้เขาไม่ฝึกตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมตตากรุณามุ้ทีตาเป็นด้านความรู้สึกจริงต้องมีอุเบกขามาเป็นตัวคุมอย่างพ่อแม่เนี่ยมีเมตตากรุณามุ้ทีตาต่อโลกมากแต่พอเมตตามากเกินไปเป็นยังไงไม่อยากให้ลูกทําอะไรทําแทนให้ทั้งหมด เป็นยังไงลูกคนนี้ไม่ได้ฝึกตัวเองตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นยังไงล่ะเพึ่งตัวเองไม่ได้ใจเสาะเปล่าบางเอาแต่ใจนั่นแหละความรู้สึกมากเกินไม่รู้จักปล่อยให้เขาทําเองบ้านเห็นไหมมีกรุณาโอ้การบ้านยากสงสารลูกเห็นลูกปวดหัวทําแทนจบเลยใช่ไหมเด็กไม่มีความรู้สับได้ที่หนึ่งยินดีฉลองไปกับเพื่อนเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นคราวนี้เด็กก็เพลินเลยสิ จะทําอะไรก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องได้เสร็จเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งพ่อแม่ต้องมีอุปสรรคด้วยต้องให้ผสมดุานระหว่างความรู้สึกกับความรู้ความเข้าใจและการรักษาความจริงเ <_ S 1> มื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องฝึกต้องให้เขาฝึกบางครั้งเราต้องปล่อยให้เขาเจอกับปัญหาให้เขาเจอกับความทุกข์ แล้วเราค่อยๆบอกค่อยๆสอนค่อยๆแนะนำว่าจะแก้ไขยอย่างไรแล้วต้องให้เขาลงมือทำเองเหมือนการบ้านไปทำแทนแทนลูกไม่ได้ยิ่งทำแทนเด็กยิ่งเคยตัวสอนให้ทำยังไงแล้วให้เด็กเขียนเองทำเองหรืออย่างบางทีสังคมฝรั่งเนี่ยบางทีจะเห็นนะเด็กฝรั่งเนี่ยมักจะถูกสอนให้พึ่งตัวเองันตั้งแต่เด็กวิ่งวิ่งไปหกล้มโครมถ้าเป็นพ่อแม่คนไทยเป็นยังไง วิ่งไปโโอแล้วเจ็บตรงไหนใช่ไหมฝรมั่งไม่หกล้มโครมเจ็บหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไปหายาทำเองเด็กมันไม่กล้าร้องแล้วตอน น, นั้นก็ Quốc ล้มเองนี่ใช่ไหมมันต้องลุกพ่อแม่กำลังทำอยู่ไม่ลุกเดี๋ยวโดน ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดุมันต้องลุกแหละสอนให้มันต้องเข้มแข็งใช่ไหมเด็กต้องเข้มแข็งมันมีอะไรเนี่ยเขาจะเข้มแข็งแล้วพยายาพ่งตัวเองอันนี้ก็คือสังคมที่เลี้ยงดูเด็กแบบอุเบกขา หัดให้พึ่งตัวเองฝึกเขาตั้งแต่เด็กเด็กจะแข็งแกร่งแต่ว่าถ้าขาดทางด้านน้ำจิตน้ำใจหรือด้านความรู้สึกมันจะกลายเป็นแข็งกร้าวต้องระวังเรื่องนี้สองอย่างนี้ต้องสมดุลไงแต่อย่างทางเอเชียทางตะวันออกนี่เป็นยังไงได้ความรู้สึกเยอะมากมีอะไรก็เมตตากรุณามุทิต า, า, น า, ตาเนี่ยนะมันถึงเป็นสังคมแห่งการพึ่งพา หรือมักจะเป็นลักษณะของพรรคพวกใช่หรือไม่ใช่มีอะไรก็ขอความเมตตาช่วยหน่อยเธอไปขอร้องแต่ตัวเองไม่ขนขวายที่จะทําไม่ขนขวายที่จะฝึกไม่ขนขว า, ายที่จะพัฒนานี่ต้องระวังให้ดีเพราะฉะั้นถ้าได้สมดุลเนี่ยเด็กจะมีทั้งความรู้สึกที่ดีในขณะเดียวกันได้ฝึกตัวเองสองอย่างนึงจึงห้าต้องให้สมดุลกันนะมันเมตตากรุณามื่ทีตาเป็นด้านความรู้สึกเหมือนกัน เมื่อเราแผ่อปมัมภิยาเป็นเมตตากรุณาเมตตา ม, มากมันจะติดทางด้านความรู้สึกต้องระวังมันจะละจากสัรพะสัตว์ไม่ได้มันจะยังติดอยู่เห็นปุ๊บจะต้องเข้าไปช่วยเห็นปุ๊บจะต้องตั้งจิตปรัถนาดีครา้ น, นี้มันจะวางไม่ได้ท่านจึงต้องให้มีอุเบกขามาเป็นตัวคุมเป็นกรรมฐานที่จะต้องฝึกต่อไม่งั้นจิตจะไม่สามารถสงบได้ถึงขั้นรูปฌานขั้นที่สี่ อีกอย่างหนึ่งถ้าโมจะมีเมตตากรุณามุทิตาเราจะวิ่งวิ่งไปในสรรพสัตว์อยู่ตลอดเราจะไม่สามารถสังเกตสิ่งต่างๆได้ตามสภาพตามความเป็นจริงจึงต้องมีอุเบกขาเข้ามาคุมตรงส่วนนี้อา้าวมีคําถามไหมในด้านของความรู้สึกกับด้านของความรู้สองอย่างนี้ต้องสมดุลกันอุเบกขาเป็นด้านของความรู้ใช่ไหมเพราะรู้เข้าใจจึงวางอุเบกขาได้ เพราะรู้เข้าใจจึงรู้ว่าตอนไหนควรเข้าไปเกี่ยวข้องตอนไหนยังไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อ ย, ยังไม่ถึงเวลาที่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องก็สามารถวางเฉยคอยดูอยู่และพร้อมที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อถึงเวลาเพรา ะ, ะบุคคลผู้วางอุเบกขาได้อย่างแท้จริง <c oughs> เขาจะทำหรือไม่ทำไม่มีส่งไม่มีส่งผลกระทบกับเขาเนะียังไม่ถึงเวลาสามารถจุดนิ่งไม่ทำได้ ถึงเวลาควรทำเขาก็สามารถทำได้นะเพราะฉะนั้นอุเบกขา น, นี่จึงเป็นกรรมฐานที่จะต้องเอามาให้สมดุลกับเมตตากรุณาและมุทิตานะจะเรียนทอนเราก็ต้องหาความรู้สอบถามผู้รู้สอบถามผู้รู้นอกจากนั้นก็ต้องฝึกขึ้นมาด้วย ฝึกขึ้นมาด้วยฝึกตัวเองขึ้นมาด้วยหาความรู้สอบถามผู้รู้รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำถ้าเรารู้แล้วต่อไปเราจะรู้ว่าตอนไหนควรทำตอนไหนไม่ควรทำใช่ไม่ใช่ถึงตอนนั้นเราจึงจะวางอุบเบกขาได้อย่างแท้จริงจเจริญพรอ้าไม่ทราบมีคำถามอะไรอีกไหมได้น ะ, ะนอ้าเจริญพรเพราะฉะนั้น การฝึกในที่นี้จะแตกต่างจากการฝึกเมตตากรุณาโมทิตายมแยกออกนะระหว่างอุเบกขากับอัญญาตัวเบกขาการฝึกอุเบกข า, กาภาวานานี้ทําอย่างไรวิธีการฝึกท่านจะได้ให้เริ่มต้นฝึกโดยที่ให้นึกถึงบุคคลที่เป็นกลางๆงก่อนอันนี้มาถึงขั้นตอนการฝึกแล้วนะเมตตานี้เริ่มจากตัวเอง กรุณาเริ่มจากคนตกทุกข์ได้ยากมุติตาเริ่มต้นจากคนที่ประสบความสําเร็จนะเพื่อนรักที่ประสบความสําเร็จแต่อุเบขานี้จะเริ่มจากคนที่เป็นกลางๆ ก, ก่อนคือคนที่เราไม่รู้จักมักคุ้นคนที่เรารู้สึกเฉยเฉยอุเบขาจะเริ่มต้นที่คนกลุ่มนี้ก่อนวิธีการทําอย่างไรคือเมื่อเราเห็นคนที่ประสบทุกข์ก็ตามประสบความสําเร็จก็ตาม ให้ยมพิจารณาไว้ว่าโอ้ที่เขาประสบทุกประสบครอบกรรมประสบความสำเร็จนั้นก็เป็นไปตามกรรมที่เขาทำเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเข้าไปนั่งสงสารหรือนั่งดีใจไปกับเขาโอ้เน่ก็มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นแค่กระแสะเหตุปัจจัยธรรมชาติที่เป็นไปแบบนี้เท่านั้นเอง เราจะได้วางอุเบกขาในความสุขในความทุกข์ในความสำเร็จหรือในความล้มเหลวของบุคคลต่างๆได้มองเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเหมือนหน้าฝนก็ต้องมีฝนตกลมพัดแรงกิ่งไม้ก็ย่อมหักธรรมดาธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นให้นั่งทาใจให้สงบแล้วพิจารณาดูความที่สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของตนย่อมต้องรับวิบาก ของกรรมที่ตนทรรมจึงประสบทุกประสบความสุขประสบความร่มเหลวประสบความสำเร็จเป็นไปตามเหตุตามปจาัจจัยนี่เป็นไปตามธรมธรมชาติสมัยก่อนท่านก็จะมีคำบริกรรมเข้ามาช่วยคำบริกรรมนั้นท่านจะใช้คำว่ากรรมมัสสกโตโหติ หมายถึงเป็นไปตามกรรมถ้าเป็นการที่เราวางอุเบกขาในที่นี้คือฝึกวางอุเบกขาให้กับคนคนเดียวท่านก็จะใช้คาว่าอะยังสัตโตกรมมัสสกโตโหตินะอะยังสัตโตก็คือสัตว์ผู้นี้หรือสัตว์คนนี้หรือคนผู้นี้กรมมัสสกโตโหติ ย่อมเป็นไปตามกรรมอ๋อเนี่ยกเเ็เขาทำเหตุปัจจัยมาให้เป็นแบบนี้มันก็ย่อมเกิดแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นใจเราอย่าเข้าไปสงสารอย่าเข้าไปดีใจอย่าเข้าไปเสียใจอย่าเข้าไปกระทบอะไรกับเขาเลยเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้นี่แหละใจเราก็จะสงบนิ่งแม้ว่าภาวะต่างๆจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรก็าตามแต่ถ้าเราแผ่อุเบกขาให้คนหลายคน ท่านก็จะใช้คําว่าเอเตสตัตานะสัตว์เหล่านี้นะเอเตสตตากรมมั ส, สกตาโหตินะอ๋อสัตว์เหล่านี้ก็ย่อมเป็นไปตามกรรมเนีอันนี้เวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เจอเรื่องราวต่างๆเป็นบุคคลที่อยู่ไกลตัวมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแทนที่จะไปกระทบกระทท้งเราก็สามารถวางอุเบกขาได้ อ๋ออ่างนี้กษัตริย์โลกก็เป็นไปตามกรรมเขาทำกรรมดีผลดีก็เกิดขึ้นทํากรรมไม่ดีผลไม่ดีก็เกิดขึ้นกับเ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้รักษาใจให้ไม่กระทบกระทั่างนะแพ่อุเบกขาออกไปแพ่อุเบกขาในที่นี้ก็คือวางใจเป็นกลางในความสุขความทุกข์ต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องประสบพบเจอคราวนี้ถ้าแพ่ออกไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแหละ วางอุเบกขาในสรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้ใจสงบนิ่งไม่ถูกกระทบท่านเจ้าก็จะใช้คำว่าสพเพสัตตากรร ม, มัสสะตาหหนติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีกรรมเป็นของตนย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นจากคนไม่รู้จัก คนไม่มักคุณเท่าไรเขาประสบความสุขสำเร็จแล้วมันก็ไม่ค่อยดีใจกับเขาเท่าไหร่ใช่ไหมเขาประสบความทุกข์เราก็ไม่ค่อยได้เสียใจกับเขาเท่าไหร่จึงง่ายในการฝึกอุเบกขาฝึกในการวางใจเป็นกลางกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอ้าวในการฝึกขั้นต้นมีคำถามไหมวันเวลาฝึกขั้นต้นทําใจให้สงบก่อน จากนั้นให้พิจารณาโอ้อในขณะที่เรานั่งอยู่นั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นไปตามกรรมนะคนต่างๆก็มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายมีการที่เขาประสบความทุกข์ความสุขประสบความล้มเหลวประสบความสําเร็จเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เป็นไปอย่างนี้โอ้สัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้นี่เองเนะีเมื่อเราพิจารณาได้อย่างนี้ใจเราก็จะวางเป็นกลางไม่รู้สึกถูกกระทบกระทั่งไป ก็รักษาภาวะจิตที่สงบตั้งมั่นเป็นกลางอย่างนี้ไปไเรื่อยๆฝึกใหม่ๆแนะนำให้ใช้คําบริกรรมช่วยก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเรามักจะลืมและมักจะเข้าไปมีเมตตามีกรุณาหรือเข้าไปกระทบกระทั่งกับสรรพสัตว์ทั้งหลายฝึกได้ดีแล้วเราจะสามารถวางอุเบกขาไดนะ้เพราะฉะนั้นเมื่อนั่งจิตก็จะสงบตั้งมั่น ถึงสรรสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเป็นไปตามกรรมดำเนินไปตามกรรมใจก็ยิ่งสงบไม่ถูกกระทบเมื่อฝึกได้ชำนาญแล้วนะชำนาญ น, นี้คงต้องใช้เวลานานหน่อยอันนี้นะเมื่อฝึกได้ชำนาญแล้วต่อจากนั้นท่านจึงให้แผ่อุเบกขานี้ไปให้กับบุคคลที่เรารัก บุคคลที่เป็นที่รักแพ้อุเบกขาแพให้บุคคลกับบุ้คลที่เป็นที่รักส่วนใหญ่บุคคลที่เป็นที่รักเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยทุกข์แล้วเรานักจะทุกข์ด้วยกับเขาสุขแเรามักจะดีใจอันนี้จะยากขึ้นมาแล้วใช่ไหมแพ้ให้กับบุคคลที่เป็นที่รักโดยมองว่าคนที่เป็นที่รักเพื่อนรักคนที่เราเคารพทักถือนั่นก็สัตว์คนหนึ่งก็ย่อมเป็นไปตามกรรมก็ต้องเจอสุขเจอทุกข์เหมือนกับคนทั้งหลายนั่นแหละ ก็ให้ตั้งใจนะเอเตสัตามมสกกตากรรมสกตาโหติโอ้บุคคลแม้กระทั่งบุคคลเหล่านี้บุคคลที่เป็นที่รักเหล่านี้เขาก็ย่อมเป็นไปตามกรรมนะก็เป็นธรรมดาธรรมชาติที่เขาจะเป็นอย่างนั้นนะมองให้เป็นเรื่องธรรมดาใจเราก็จะวางสงบนิ่งเฉยได้ไม่ถูกกระทบนะเมื่อแพ้ให้กับบุคคลที่รักได้คล่องแล้วต่อจากนั้น ก็ให้แพ่ออกไปให้กับบุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวรโดยในเบื้องต้นต้องระ ง, งับความโกรธให้ได้ก่อนเพราะบุคคลที่เป็นคู่เวร น, นเวลานึกถึงเราจะมีลักษณะผลักแพ้ให้กับบุคคลที่เป็นคู่เวรแพร้ให้บุคคลที่เป็นคู่เวรได้คล่องแล้วก็แพ้ให้ตนเองแม้ตัวเราเองก็เป็นไปตามกรรมนะภาวะเช่นนี้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะจากนั้นจึงแผ่ออกไปให้สรรพสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อแผ่ให้ตนเองบุคคลที่เป็นคู่คนรักคนที่เป็นกลางๆคู่เวรได้แล้วต่อจากนั้นเราจะทำสีมาสำเพ็คือแผ่ให้บุคคลทั้งสี่กลุ่มโดยมีจิตอูเบขาเสมอเหมือนกันหมด ไม่ว่าใครจะประสบครอบกรรมประสบทุกประสบความสาเร็จอย่างไรเราเห็นแล้วโอ้เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามกรรมที่เขาทำใจเราไม่ถูกกระทบกระทั่งไม่ดีใจไม่เสียใจธรรมดาธรรมชาติเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นแบบนี้นี่เองใจก็จะมีวางอุบเบกขาในบุคคลทั้งสี่กลุ่มได้เสมอเหมือนกันหมด เมื่อแผ่ให้บุคคลทั้งสี่กลุ่มได้แล้วต่อจากนั้นเหมือนเมตตากรุณามมทิตาเลยเราจะเริ่มแผ่ออกไปให้กับสรรพสัตว์โดยหนึ่งแผ่แบบไม่เฉพาะเจาะจงทีเ่เราเรียกว่าอโนทุทิโสภาณามีกี่แบบเอ่ยไม่เฉพาะเจาะจงทบทวนนิดหนึ่งกี่แบบห้าแบบใช่ไหมห้าแบบได้แก่สัพเพ อลองตอบพร้อมกันนิดหนึ่งจะได้ทบทวนหนึ่งสัพเพสัตตานะก็คือสัตว์ทั้งหลายสองสัพเพปานานะผู้ที่มีลมหายใจทั้งหลายสามสัพเพภูตาผูนะ้ทั้งหลายสี่สัพเพปุคลาบุคคลทั้งหลายนะห้าสัพเพอัตตภาวะ ปริยาปันนานะทําแต่ละแบบแต่ละแบบให้คล่องนะแล้วก็ค่อ ย, ค, อยค่อยเปลี่ยนนะคําต่อท้ายก็เป็นอะไรเอ่ยกรรมมัสสกตาโหณติย่อมเป็นไปตามกรรมนะเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เขาเหล่านั้นจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมอ้าวจากนั้นแผ่ให้เฉพาะเจาะจงห้าไม่เฉพาะเจาะจงห้าแบบต่อมาแผ่แบบไม่เฉพาะแบบเฉพาะเจาะจงเป็นโอทิโสภรนา มีกี่แบบเอ่ยเจ็ดแบบเหมือนกันกับเมตตากรุณามุ้ติตาทุกประการเพียงแค่ว่าเราวางอุเบกขาในกลุ่มของสัตว์ทั้งหลายอา้าวเจ็ดแบบมีอะไรบ้างหนึ่งสัพเพไม่ใช่สัพเพใช่ไหมต้องเป็นสัพพาอิทิโยใช่ไหมก็คือเพศหญิงทั้งหลายนะหรือสัตว์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหลาย สภาวะอิทธิโยกรรมสกตาโหตินะต่อมาก็ให้เพศชายทั้งหลายก็เป็นสัพเพปุริสาต่อมาให้กับพระอริยะทั้งหลายเป็นสัพเพอริยาแล้วก็แผ่ให้พระผู้ที่ไม่ใช่อริยะทั้งหลายเป็นสัพเพหะนะริยาต่อมาก็ภพภูมิสามใช่ไหมมีอะไรบ้าง เทวดาก่อนใช่ไหมก็เป็นสัพเพเทวาต่อจากนั้นให้กับมนุษย์ก็เป็นสัพเพมนุษษสาให้กับผู้ที่อยู่ในวินิบ า, นนารณโลกก็จะเป็นสัพเพวินิปาติกากรร ม, มสกตาโหติย่อมเป็นไปตามกรรมนะมันไม่ว่าจะนึกถึงบุคคลเพศหญิงเพศชาย ผู้ที่เป็นอริยะผู้ที่ไม่ใช่อริยะผู้ที่เป็นเทวดามนุษย์หรือผู้ที่อยู่ในวินิบฉัยโอ้คนเหล่านี้ก็เป็นไปตามกรรมเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นใจเราที่ไปกระทบมันก็จะน้อยลงนะก็วางเฉยในบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ได้เพราะเห็นถึงสภาพที่เขาเป็นไปตามสภาพธรรมดาธรรมชาติอ่านนะแบบเฉพาะเจาะจงเจ็ดแบบต่อจากนั้นก็แผ่ไปยังทิศ ต, ต่างๆทั้งสิบทิศ อา้าวไล่กันนิดหนึ่งนะแล้วเปลี่ยนตัวหลังเป็นเพียงแค่กรรมสกตาหหนติเท่านั้นเองเอาเริ่มต้นจากทิศอะไรก่อนทิศ ต, ตะวันออกก็จะเป็นสเพปุรัติมายะทิสายสัสตาต่อด้วยต่อด้วยอะไรเอ่ยกรรมสกตาหหนตินะ สัตว์ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เขาจะเป็นอย่างนั้นใจเราก็วางอุเบกขาได้เอาจากทิศตะวันออกต่อมาทิศตะวันตกก็จะเป็นทิศปัชชิมายะก็เป็นสัพเพปัชชิมายะทิสายสัตตาใช่ไหมแล้วก็ทิศเหนือเป็นสัพเพ อุตรายะทิสายสัตตาทิศใต้เป็นซาเพทัพชินายะทิสายสัตตาต่อมาก็อนุทิศทั้งสก็อนุทิศของทิศตะวันออกทิศอะไรเอ่ยตะวันออกเสียงใต้ น, นับตามเข็มนาฬิกาไป4ี่สห้าองศาก็เป็นซาเพปุรัติมายะอนุทิศายะ สัตตาต่อมาอนุทิศของทิศตะวันตกคือทิศทิศ ต, ตะวันตกเฉียงเหนือให้นึกถึงสรรพสัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมดว่าเป็นไปตามกามก็จะกลายเป็นสเปปัชมายะอนุทิศายะสัตตานะแล้วก็ทิศอนุทิศของทิศเหนือก็คือทิศ ต, ตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นสพเพ อุตรายะอนุทิศายะสัตตาอนุทิศของทิศใต้ก็เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นสัพเพ ท, ทัพขินายะอนุทิศายะสัตตาต่อมาทิศเบื้องล่างทิศเบื้องล่างคือเหตุิมายะก็เป็นสัพเพเหตุิมายะทิศายะสัตตาทิศเบื้องบนคือ อุ ป, ปริมายะนะก็เป็นสเพอุ ป, ปริมายะที่สายะ ส, ะตมมะสะัตาตากรรมสักตาโหณติก็ให้เราน้อมนึกถึงทิศทั้งสิบสัตว์ถ้าอยู่แ ต, แต่ละทิศนั้นโอ้ก็เป็นไปตามกรรมเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนแค่เหตุปัจจัยที่ดําเนินไปเท่านั้นเองโอ้ธรรมดาธรรมชาติเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะวางอุเบกขาวางใจเป็นกลางในสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ ต่อจากนั้นก็จะแผ่ออกไปไม่มีประมาณสัสตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทุกทิศทุกทางก็ย่อมเป็นยังไงเอ่ยเป็นไปตามกรร ม, มก็เป็นกระแสะเหตุปัจจัยดำเนินไปแค่นั้นเท่านั้นเองใจเราไม่ฝึงเข้าไปกระทบด้วยความชอบความชัมชงจิตใจก็จะวางอุเบกขาในสสาราทั้งหลายไม่รู้สึกถูกกระทบกับความเป็นไปของสสารทั้งหลายได้พวกนี้ต้องฝึกกันนานนะ อาตมาเอามาสรุปเนี่ยสรุปกันจริงๆก็คือชั่วโมงเดียวเพราะว่าหลายๆอย่างซ้ําจากที่เคยสอนรายละเอียดไปในเมตตาแล้วนะมันต้องค่อยๆฝึกทีละอย่างทีละอย่างจนคล่องจนชํานาญก่อนคล่องชํานาญขนาดจิตสงบแล้วไม่ถูกกระทบได้เลยแล้วเราค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนจากคนที่เป็นกลางๆงเป็นคนที่เป็นที่รักคนที่เป็นศัตรูตัวเอง ทำให้ตัวเองได้คล่องแล้วจึงทำสีมาสําเพ็ให้คล่องก่อนแล้วจึงแผ่อุเบกขาไปยังสรรพสัตว์แบบไม่เฉพาะเจาะจงแต่และอย่างต้องทําให้คล่องก่อนจึงจะแผ่แบบเฉพาะเจาะจงแล้วจึงแผ่ให้ทิศทั้งสนะิบเพราะฉะนั้นรวมเป็นการแผ่อุเบกขาทั้งหมดกี่แบบเอ่ยแบบไม่เฉพาะเจาะจงห้าแบบเฉพาะเจาะจงเจ็ดรวมเป็นสิบสองแบบนะ ประเภทของสรรพสัตว์มี12 12ประเภทแล้วแผ่ไปยังทิศทั้งสิบใน12ประเภทรวมเป็น120แบบใช่ไหม12คูณ10เป็น120บวกกับอีก12คือแผ่แบบไม่กำหนดทิศก็รวมเป็น132แบบนี่คืออุเบกขาอัปมัญญา132แบบนะอ้าวมีคำถามไหมเอ่ย เวลาแผ่ทำอย่างไรเอาเริ่มจากบุคคลที่เป็นกลางโยมนั่งให้สงบนึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราไม่รู้จักคนอื่นๆอ้อคนเหล่านี้ลกนี้ตอนนี้ก็กําลังเป็นไปตามกรรมเขาเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปตามกรรมประสบทุกประสบสุขเป็นไปตามกรรมสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเข้าไปดีใจหรือเสียใจไปกับเขาใจเราจรึงสงบวางนิ่งเฉย นี่คือวิธีการพยายามพิจารณาว่าตอนนี้แม้กระทั่งเรานั่งอยู่มีคนเกิดมีคนแก่คนเจ็บคนตายประสบความสำเร็จเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นอ๋อจะให้แผทิศทางอันนี้คำถามคือทิศทางใช่ไ้ยท่านนึกถึงทิศ ต, ตะวันออกก็ให้โยมนึกถึงสัพสัตต์ทั้งหลายที่อยู่ทางทิศ ต, ตะวันออกทั้งหมดเลยให้เรานึกถึง ไม่ใช่นึกถึงพระอาทิตย์ขึ้นนึกถึงสรัพสัตที่อยู่ทางทิศตะวันออกทั้งหมดทิศตะวันออกคือทิศนี้ใช่ไหม้าตุวัติน้ทิศตะวันออกคือด้านหลังก็ให้โยมนึกถึงสรพสัตที่อยู่ทางด้านหลังคือด้านทิศตะวันออกนี้ย่อมเป็นไปตามกรรมเขาก็สุขทุกข์เป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นอย่างนั้นใจเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับครับถูกต้องใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่นั่งห่องเฉย เราต้องรู้ด้วยว่าขณะนั่งนั้นเราหันไปทางทิศไหนและเราต้องการแผ่ไปยังทิศไหนทิศนั้นอยู่ทางด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านไหนของตัวเราแล้วเราควรนึกถึงสรพสัตที่อยู่ในทิศนั้นๆว่าโอ้แม้สัพสัตอยู่ในทิศนั้นๆเขาก็กําลังประสบทุกประสบสุขประสบความเคราะห์กรรมประสบความโชคดีเป็นไปตามกรรมที่เขาทําเป็นธรรมดาธรรมชาติของเขาที่เป็นแบบนั้นใจเราก็จะได้วางเฉยได้เจริญพอ อ่ามีคำถามอะไรอย่างอื่นไหมเอ่ยไม่มีคำถามนะอาถ้าไม่มีคำถามวันนี้ต้องขออภัยอาตมาคงต้องขอโลเลิกเที่ยงตรงนะคราวหน้าเดี๋ยวจะมาสรุปเรื่องของอั ป, ปัญญาทั้งหมดให้ฟังอีกทิหนึ่งมีเกร็ดเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ฝากโยมไปฝึกอุเบกขาอั ป, ปัญญาแล้วถ้าติดขัดอย่างไรมีข้อสงสัยตรงไหนก็ให้โยม มาถามอาตมาได้ในอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าจะสรุปในเรื่องของพรหมวิหารสี่ในเรื่องของอัปิมัญญานะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกได้ครบแบบนี้สี่อย่างการดําเนินชีวิตของโยมจะกลายเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปในตัวเลยเอา้าวใช่ไม่ใช่เจอหน้าคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่เห็นเขาเราสามารถเจริญเมตตาให้เขาได้เขาตกทุกข์เราเจริญกัลวนานั่นกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานไปนเรียบร้อยแนละ้วใช่ไหม เห็นคนประสบความสำเร็จเป็นยังไงเราเจริญมูทิตานี่เป็นด้านของความรู้สึกแต่เมื่อเขาต้องรับผลที่เขาทำเราก็สามารถเจริญอุเบกขาเห็นไหมการพบกับทุกๆคนการที่เราลืมตาอยู่ในสังคมกลับกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานอยู่ตลอดเวลา <laughs> <laughs> เพียงแต่ว่าเราต้องทำนะนะ <laughs> ถ้าฟังแล้วไม่ทำในผลมันไม่เกิด เพราะฉะนั้นเจอคนที่กําลังประสบทุกข์เราไม่ทุกข์เรากับมีกรุณาจิตใจเรากับผ่องใสมีความสุขใช่ไหมใช่เจอหน้าคนอื่นๆเขาอยู่ดีมีสุขเราก็แผ่มเมตตาใช่ไหมหรือหรือแม้แต่กระทั่งเมื่อเราต้องวางเฉยเราก็จะสามารถวางอุเบกขาให้กับคนต่างๆได้เมื่อเขารับผลที่เขากําลังทําอยู่อันเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งดีก็ตามเมื่อดีก็ตามที่เขาเป็นไปอยู่ เขาเองก็จะได้มีโอกาสได้ฝึกตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพรหมวิหารสีน่นี้ท่านจึงบอกว่าเป็นวิหารหรือที่อยู่อาศัยของผู้ยิ่งใหญ่หรือของพรหมนั่นเองอ้าวนะนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเนื่องจากว่าเดี๋ยวอาตมาต้องมีไปสอนที่คณะพยาบาลของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อนะก็คงจะขอจบการบรรยายแล้วก็การนาปฏิบัติไว้แต่เพียงเท่านี้ลาดับต่อไปขอเชิญโยมแผ่เมตตา แล้วก็วหวปพระสวดมนต